ฟางทำกน <c oughs> ันวันคืนล่วงไปล่วงไปผ่านมาใกล้เข้าวันศาแล้วตามพุทธบัญญัติ <c oughs> มีความหมายทุกๆวันมีความหมายทุกๆเดือนมีความหมายทุกๆนาทีทุกวินาทีชีวิตเรา ต้องพัฒน า, านอกจากเราแล้วยังมีอันอื่นอีกที่เราจะต้องช่วยกันถ้าตามปกติตามธรรมในแล้วผู้ที่อยู่ในวาดเมื่อก่อนใกล้เข้าวันศาก็ต้องเตรียมเสนาธนะที่วาสัยเพื่อตอนรับประสงค์ ทูเทียกไปมาขอให้มาถ้ามาแล้วมีที่อยู่อาศัยอยู่เป็นสุขก็วัดที่มี ว, วัยวัจกรมีชาวบ้านมีทายกที่เป็นผู้ประชมความวงเขาก็มาเตรียมเสนาเสนะตายาตานถนนทาง ตัดจริงก้านลานจริงต้นไม้ที่มันทำทาถ้จะร่มจะโปกหลังคาคติศาราทำคอนสัดดังวั้ก็ต้องเอารถเทศบาลมาตัดจริงง่ายขนไปทิ้งถ้าอยู่ในเมืองนี่เราก็คาดว่าจะมี เพื่อนจะทำเมฆหมู่วาสงพระว่าเจ้าโยมจะมาอยู่ด้วยกันหลายชีวิตอยู่ก็ที่ว่าใจนั้นคงจะยังไม่สมบมรแบบเราก็ทำอยู่เรื่อยๆไม่หยุดไม่หยอ่อนแต่ น, นี้อาจารย์ตุ้มก็ทำ มาลตั้งแต่ฉันทุ่มมาอยู่นี่ทามาตลอดทั้งงานทั้งไปทั้งที่ว่าใสย mm hmm. ก็มีคติสองหลักที่ควรจะบำรุงซ่อมให้มันดีคติดินอยู่กดองค์บสามหลังหนึ่งถ้าไปชาปูนดีๆลาดฟุตบาทดีดีห้องน้ำก็ ใส่ประตูใส่อะไรดีๆจะพอเพื่อนเราอาศัยอยู่ได้คติดินหลังนี้หลังใกล้ๆกับกติคนภาสาเนี่ยก็ก็อองอวิเวกดีหลังแต่นี่คติดินสองหลังเนี่ยปริวิเวกที่สุดเลยไม่มีใครรู้ก็ซ่อมจกหน่อย นะเพื่อให้พอที่จะอาศัยอยู่ได้ตามบัตภาพของพวกเรานอกจากนั้นก็เราก็อยู่นอกจากเราอยู่กับตัวเราแล้วเราก็อยู่กับเพื่อนกับมิตรอยู่กับทรรมวเนไย มีสามัญเจ้าสิ่นินสามัญเล็กษณะเสมอกันสูกด้วยกันทุกด้วยกัน <c oughs> นอกจากอยู่กับทรรมวินัยแล้วก็ยอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพื้นดินน้ำอากาศวายัยป่าไม้สัตว์าราสิ่ง แล้วก็มีจิตใจกว้างขวางรู้อยู่ที่ไหนก็เพียรพยายามที่จะอ่าทําให้มันไม่สูญเสียโด mm hmm. ยเพราะเราที่อยู่ของเราเนี่ยไปมีที่สูงมีที่ต่ําน้ำไหลสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นน้ำไหลนะต <c oughs> นตกขนาดทั้งวันเนี่ยไม่ค่อยเห็นน้ำไหลเพราะถนนทางไม่มี แล้วก็แต่น้ำในห้วยเนี่ยจะขึ้นเดงไม่เห็นน้ำไหลมันจะขึ้นเดงขึ้นเดงขึ้นเดงมันซึมลงไปมันดูดลงไปต้นไม้ไม่มากน้ำในห้วยก็ขึ้นเตึงขึ้นเตึงขึ้นแต่ไหลอย่ไหลในห้วยแต่น้ำในบ่าตามถนนทางไม่มีที่ไหลต่อมาเราก็มีกติหัวใจหลังแปดหลังแน่อยู่หัวใจ ก็เอาอ่มเอาปูนเดาหินขึ้นไปทำแจ้งน้ำก็มีทางรดขึ้นได้แล้วก็ทำลายเพื่อให้มันไหลระยะยาวเวลามันไหลก็แบ่งเฉลีย่ยให้มันไหลออก น, อ น, อกนู่นนี้แล้วก็มีทางเดินขึ้นไปก็เป็นโศกรึ่าแล้วก็พยายามเฉลี่ยย้ให้มันไหลา ย, ยาวๆหรือมันเปินโศก มันมาน่าดูก็ก็เฉลี or or ่ยวไปเฉลี่ยวไปไหลบ้างเฉลี่ยวไปเฉลียวไปไม่อยากเห็นน้ำไหลยาวๆถ้าตรงไหนที่มีน้ําไหลยาวๆก็ช่วยกันจะนอนให้ธรรมชาตินันยังอยู่การกดการอะไรก็เราพยายามที่จะอยู่ป่า การเบียดของป่ากสวนแห่งชาติแม้แต่รอยจอบปอยเสียมที่เรากรดก็ก็ระวังที่สุดเลยไม่ใช่กลัวป่าป้ายตกเรานี่ยแหละที่จะไม่ทํำลายอะไรนอกจากอไม่ทําตัวเองให้เป็นทุกข์ไม่ทําคนอื่นให้เป็นทุกข์ไม่ทำจริงให้เป็นทุกข์ไม่ทําอะไรทุกอย่างให้ เสียหายให้เป็นโทษไข่สูญเสียจากธรรมชาติก็ช่วยช่วยการคิดช่วยคนอื่นบ้างคิดช่วยสิ่งอื่นบ้างพอที่ช่วยก็ได้พอที่ความสะดวกกันได้โดยเฉพาะเขตกติผู้หญิงนี่ผู้หญิงเนี่ย ที่อยู่อาศงดีกว่าดีกว่าที่อยู่ของพระสงฆ์วาสศพเพราะศรัทธาผู้หญิงไม่มากสร้างคดีที่หลังเป็นแสนแสนคดีพระเนี่ยก็มีนะชี้น้อยใครมีคนจอผู้หญิงนี่โอ้ยเยอยยะเลยเด็ก็มาสร้างอยู่สบายติดตรวจให้ด้วยเขาทำอ๋ แม่ทุก ว, วันนี้เราเคยได้กินได้อยู่ได้กินเพราะพวกผู้หญิงทำอาหารให้พวกเราดูแลวพวกเราวันนี้คคอเฉียวลูกพระหรือขี้น้อยอ่ะขี้เออคนดูดกูหมูวระมาขอเงินค่าน้ามันก็คิดว่าหลวงพ่อบอกมาถามหลองพ่อหลพ่อก็ด่าวโง่แล้วยังมาให้ถามหลวงพ่อทำไม เอาให้เขาไปอย่าคิดว่าตัวเองทำบุญทั้นไม่ใช่ทำบุญทำบุญต้องมีประโยชน์เนี่ยคนแบบนี้มันสนับสนุนไปได้เป็นเสียเป็นบาปผู้ที่ให้แม่แต่ของอะไรกติเราอะไรที่ไม่ค่าอย่าสมรู้ร่วมใจกับโจกับรผู้ร้ายอาฬิกาของที่ไม่ค่าทิ้งไ ม, ไม่ไม่ดูแลโทรศัพท์ เวลาเขาขึ้นไปก็เห็นนะ่ะเขาไม่นึกว่าจะขโมยหรอกแต่เห็นแล้วมันมีค่าก็เอาไปที่แรกไปตั้งใจแต่ว่าไปเห็นแล้วไม่มีใครดูก็อยู่เขาก็หยิบไปต่อไปเขาขึ้นนติดใส่ที่ชลักที่ขโมยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเราก็มีส่วนที่จะไปสนับสนุนในเกิดขโมยเกิดโจรขึ้นมาได้ดูแลให้มันดีๆสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยอย่าให้ เลอะเลือนๆนให้เป็นระเบียบทั้งกายเราทั้งใจเราทั้งวิจารเราทั้งสิ่งของนอกด้านเอกวิชาเอกของเราคือกรรมฐานนะกรรมฐานกรรมฐานนี่อย่าให้อย่าให้เว้นว่างช่วยโอกาส ที่ตั้งแห่งการกระทำเวลาฟังธรรมไม่ต้องสร้างจังหวะก็ได้หรือสร้างก็ได้ถ้าทำท่ามันลอยๆก็ยกมือลูปไปด้วยฟังไปด้วยก็ดีถ้าไม่กำหนดตัวใดก็วางสุดสัและปติปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อบได้ปัญญา ก็มีบ้างการพูดการสอนกันแนะพระพุทธเจ้าก็าสงแสดงทำนี่แหละการแสดงทำนี่สิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินเมื่อได้ยินแล้วสิงไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจวันเท่าความสงสัยเสจะได้จิตของบุฟังยอง่อมปังใส อนในสงการฟังธรรมมีเหมือนกันทำความเหม็นให้ถูกต้องเนี่ยอันในสงห้าประการการฟังธรรมหลวงพ่อก็ชอบฟังหลวงพ่อเถียนพูดสมัยก่อนโอ้ยฟังบางทีหลวงพ่อเถียนพูดเราไม่รู้เอาไว้ก่อนอย่าประตองคิด ที่เราไม่รู้จักไม่ต้องไปคิดเราเฉพาะร่วมที่เราทำเรารู้เช่นหลวงพ่อสอนเรื่องสติยกมือเคลื่อนไหวแล้วก็รูปอยู่เนี่ยหลวงพ่อเทียนสอนเรือรูปนามเราก็ไปรูปรูปนามเหมือนหลวงพ่อสอนให้ดูวันสิเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยอะไรมันเคลื่อนอยู่นี้อะไรมันมีแนวเคลื่อนท่านก็เอารูป ให้เห็นรูปรูปแบบนี้มันเคลื่อนไหวได้ไหมเนี่ยรูปรูปคนรูปพระมันเคลื่อนไม่ได้ทําไมมันเคลื่อนไม่ได้เพราะมันไม่มีใจอมือของคนเนี่ยทําไมมันเคลื่อนได้เพราะมีจิตใจมีความรู้สึกเนี่ยมันก็ดูให้มันเห็นรูปเห็น น, น้ำนี่แต่เราไม่ได้คิดอนะ่ะแล้วพ่อเทียนค่อยๆสอนให้เราคิดนันก็เราก็ไปคิดตามที่หลวงพ่อเถียนสอนมันก็ บางทีปวดหัวเลยไม่ต้องคิด no. เนาะหลวงพ่อบอกล้วแล้วก็ไปทําให้มันรู้ให้มันเห็นเขาไม่หาคําตอบจากความคิดหาคําตอบจากการกระทําแล้วก็ดูไปรูปไปเห็นไปแล้วก็เข้าใจรูปนามเมื่อเข้าใจรูปนามเมื่อหลวงพ่อเทียนพูดเรื่องรูปดวงานเราก็มีเครื่องลับของเราแสดงไปบางทีมัน มันมันแตกฉานน่าจะพูดเต่านั้นน้องพ่อเทียนน่าพูดเต่อนี่ยอีกก็แตกฉานเลยเห็นรูปทำเห็นน้ำทำเห็นรูปมันทุกข์เห็นน้ำมันทุกข์เห็นรูปมันเป็นโลกเห็นน้ำเป็นโลกโลกของรูปโลกของน้ำเห็นสมมุติของรูปเห็นสมมุติของน้ำที่มันบัญญัติขึ้นในชีวิตจิตใจของเราที่มันหยาดเต็มวัตถุจริงของนอกตัวเรา ความรักความจังเป็นสมมุติปัญญาตัว เ, เองมันก็แตกฉขนไปแตกแานไปกระทบกระเทือนไปความโลภความโควมหลงถูกกระทบกระเทือนอยา่างนุนแลตั้งไม่ติดเลยเมื่อเราตัดเถีงให้มาห น, น้นาน้องพอตัดเถาที่ต้นส้มโอ ซโซโมลูกแต่ก่อนดีดีนะเดี๋ยวนี้พระเถาไม้ขึ้นคุมมันอาจจะสองปีแล้วคุมหมดตอนซอโซโมก็ไม่ไม่มีเนื้อเลยแกนมีลูกใช่ไหมชี้หน่อยห <c oughs> ลวงพ่อไปดูไปดูมันเถาไม้มันขึ้นไปคุมก็ตัดะ้ะแทบบเดียวมีเดเ๊กๆมี ด, มดอะไร บ, บางน้อยๆหลวงพ่อถือ ถือเสร็จตะก้าไปาไปปาดเอาอยางที่มันพันต้นมะม่วงเขาตอหน่อยเราปลูกเรมปาดออกแต่นุมบอกถ้าไม่ปาดต้นนี้มันจะตายน่ๆปาดออกก็้ามาเห็นเรลามีดนน้อยปาดเขาขนาดนี้นะปาดจดนี่เตียวไม่จีดเดี๋ยวไปนี่ไปดูเจมันล่วงหมดแล้วตาย ไม่ต้องไปปิดใบมันทีละใบละใบการที่จะไปห้ามความโกรธความโลภความหลงนะ่ะไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องกดมันมีตัวเนี้ยตัวรูตัวห ล, ลงเนี้ยมันเห็นรูเห็นนามนีเข้าไปก็ทุกข์ไปเถืนเลยความโลภความโกรธความห ล, ลงจนล่วงเกินล่วงพ้นภาวะเก่าได้จริงๆปฏิบัติทําเลย ไม่ต้องไปหาเหตุหนาะผลไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดที่จะไปลื้อมาถอนความทุกข์ทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงนะที่มันเกิดกับรูปกับนามนะ้มีแต่การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็มีแต่การเจริญสติพวกลองมั่นใจมากนะขอให้ไห้เนื่อยเชื่อใจ ในคำสอนที่นี่ก็มีอาจารย์ใหญ่ยาจายเวเทพจ้ะดูแลพระสงฆ์ดีมากทีเดียวเลยแต่ดูแลไม่คีเนี่ยก็พากันไปสิเชิญใครไปหาอาจารย์วัเทพป่าภัยเบวหวิรุวัฒเชิญใครไปท่านตั้งหน้าต่างๆสอนสับหรับหลวงพ่อไม่รวยหรอสอนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ที่เป็น วัตถุจริงของอะไรต่างๆสบายสบายมันไม่ต้องรับผิด้อบอไรวันวันก็มาทำวัดบนวันก็ ม, มามามีของอ้างก็เหนื่อยิงนะชิโก็เหนื่อยมาเจ้าเนี่ยไม่ได้แงแขนหลยตื่นสายมากคุณเจ้าจนี่มันปกป่าปูกต้นไม้ปลูกก่ฮะวันนี้ก็ปูก มันมีอยู่อีกไม่กี่ต้นก็จะหมดแล้วไม่ผลที่ฉันทุ่มซื้อมาแล้วก็จัดให้มันอยู่ไม่เคยปลูกไม่ผลมาหลายปีแล้วเพราะว่าปลูกไม่ผลมันมีปัญหาเราก็ไม่ค่อยได้กินมีแต่ชาวบ้าน่าไปกินหมดก็เลยขี้เกียจปลูกเอา้าวันพ่อป่วยเข้ามาเนี่คคนหมูเอามะม่วงมาให้ฉันเอามันฉันได้เลย ฉันนึกเหนือยฉันเข้ากับมะม่วงกืนง่ายนะคนป่วยคนแก่เนี่ยนะมันมีน้ําลายช่วงที่ป่วยหนะนักๆเนี่ยน้ําลายไม่มีเนละฉันเข้ามาม่วงโอ้มนก็ล่อลงได้ล่อคําเข้าหลงคอให้มีน้ําลายก็เลยผัวมะม่วงใหญ่เลยปีเนี้ต่อไปเราไม่กอดแต่มันมีลูกนะนะมันก็ไม่มีเนี่ยมะม่วงอยู่วัดเราเยอะๆเลย แต่ก่อนก็มะม่วงขึ้นประสาทหลวงพ่อมากที่สุดเลยปูกันใหญ่เลยวัดปูข้าทองหน่อยี่สิบไร่ปูก็ม่วงหมดเลยต้นรับเกตสิบาทก็ซื้อต้นละร้อยก็ซื้อถ้าไปดูตลาดแข็งต้นมากเลยหาดูต้นม่วงเขาขึ้นไปต้นเนีรอยบาทมีลูกด้วยเอยชอบมากซื้อมาโข ไม่มีลูกแถวลูกเลยนะแต่ปีนี้มาปลูกอีกอาจารย์ทุกซื้อมานะเป็นแถวรอบกูจัดเลยจารย์เต็กเข้าไปปลูกแล้วถึงวัดเข้าไปปลูกเออแข่งกันดูนะปีห้ารอยห้าสิบใครจะเก่งกว่ากันนะเหลือเือนี่ก็เหลืออยู่ต้นกระท้อน ต้นจมพู่ต้นมะกอกน้ำไม่กี่ต้นก็หมดแล้วพอต้นไม้พวกนี้หมดหลวงพวกอก็หยุดตวนรอที่เราจะต้องรีบทำแบบนี้คือแปลงปลูกป่าปีสองพันร่อยห้าสิบจะมีกลุ่มบริษัทเลมอนฟาร์มเขาจะมาปลูกเนาะพอมาทอดปลาป่า พวกนี้คุกรุงเทพที่มีคุณภาพสูงมาเป็นคนที่สายงานของอาจารย์ทุมเนะ่ยนะฮะพวกเราก็พอที่จะอาศัยได้บางอย่างเขาช่วยเราแต่ว่าเราจะทำให้ดีๆหน่อยแปลงแปลงปลูกตย้ย่าตรดขุดหลุมใส่ปุ๋ยด้วยนะเพราะว่าตรงนั้นอนะ่ะเราปลูกเทไม่ขึ้นเลย เพราะดินมันเสื่อมสมัยหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่มีวิธีอื่นไดไฟไม่ป่าโล้นไปเลยหลวงพ่อก็เลยให้ชาวบ้านเข้ามาทำให้คนเ้ยไล่สิบไล่แล้วก็ให้เขาปลูกพวงให้พอปลูกให้สัญญากันเก้าปีถ้าสิบปีไม่ได้นะเอาเก้าปีก็มีสัญญาเยอะตาีุตาี้ เขาไม่เขาบอกเขาว่าให้ปลูกมะม่วงให้พอถึงกาวีแล้วยกประม่วงให้วัดห้ามปลูกปันสำหลังให้ปลูกมะม่วงปลูกข้าวเขอมาเชื่อเราโูกบันสำหลังกันโอ้ยดินมันเสื่อมหมดเลยนะเราไปปลูกไม่ขึ้นเลยมุมแต่เนี้ยอาพาจันทร์ตุมไปดูจ้างคนงานให้เขามาดูมันไม่ขึ้นเลย แต่ปีนี้ไปเจาะถิ่นเทพาใส่ปุ๋ยเช่หน่อยขอให้ปลูกคนละต้นสองต้นนะอ่ดูสิเอาต้นไม้เป็นลูกสาวลูกชายด้วยนะแต่ไม้ก็เป็นจริงๆนะต้นไม้เนี่ยมันมีมันเป็นอาจักเหมือนกัน่ะรุ่นปู่ลุ่นย่าลุนตารุ่นยายตุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นป้ารุ่นลุงลุ่นลูกรุ่นหลานท่าใส่กันเลย ต้นใหญ่ก็เหมือนปู่ของต้นไม้เรื่อยๆาใส่กันทำไมจะก็อยู่ในร่มต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นไปขึ้นไปการรักษาป่าธรรมชาตินี่อายอายผูข้อหลวงพ่อนึกว่าตัวเองพอวรพอไปเห็นผูข้อเห็นสวนสุขภาพทะเลผูของโยมที่นั่นอาให้เขาเลยหลวงพ่อ เขาก็มีทางเหมือนกันขึ้นเขาเหมือนแต่ว่าเขาเฉลี่ยนะไม่มันไหลกระจุยกายจยาวยาวโอ้ดีมากเลยนั้นการรักษาธรรมชาติดีสุดเลยเขามาพักที่วัดเราิด้ดายเขาอยู่เราเรงคุยโวเฉย เรารักษาป่าเราอยู่ป่ายิงไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพื้นที่มันต่างกันของเขามันมียาา่าขาไม่ป่าพงมันมีกอดไม่ใหญ่ร่มบทเพราะก็ไม่มียาา่าขามันเป็นป่าตั้งแต่ตั้งแต่มังเลยไปไปถึงเพชรบูรณ์ขึ้นไปทางเหนือไปโน่นมัองเรานั่น ไม่มีย่าคาป่าพงแต่เขารู้เนี้ยมีย่าคาป่าพงศ์เขารู้เนี่ยก็ไปทางไปทางเนี่ยไปทา ง, างอำเภออะไรไปทางเทพสถิตไปทางเนี่ยพิจิตรบูนไปทางเนี้ฝั่งทางเนี้ยมีป่าพงศ์มีป่ายาา่าคามีป่าคอมมินิตแต่ไปทางนู้นไม่มีอันเขาก็ รักษาป่าได้เป็นรลล้อยเป็นพันแล้วเราไปดูยันทั่วไปเราไปดูโอ้ยมันก็รักษาได้แล้วมันมีป่าพงไม่มียาค่ะมันมีหนอมันรัดจิงขึ้นมาไฟไหม้ก็ไม่ไหม้หอมเหมือนบ้านเราพี่โอ้ยสู้คนหมดเงินหมดทองกันแย่ๆไปเลยอนี่เราก็ <c oughs> อพอที่จะอยู่กันได้วันนี้นั่งรถต้อมดูป่ากับจันทุ่มเห็นต้นคูนอีกสี่ห้าปีต้นคูนแต่ยิ้มตอนรับเราเห็นตน้นไม่ยิ้มไหมไม่เขีน้อยนะมันออกดอ ก, ดอ ก, ดอกสวยงามตอนรับเราเราเดินไปตามเนีสองข้างทางมีต้นคูนดอกดอกเหลือง มันฟ้อนก็เป็นตน้นไม้เต้นลำเป็นเสียงฝ้าเป็นดนตรีใช่ไหมฝ้าลองคืมร้องคืมเราลมเป็นเป็นอ ะ, อะไรนางลำเลยพัดมาต้นไม้ก็แจงแขนล่วมไปเขาไปก็ามาสนุกดีเหมือนกันนะถ้ามีตน้นไม้ดูเวลาฝนตกหลงพัดมาเลยต้นไม้มัน แจงแขียนไปเกาะกันเล่นคืนบางกันอ ม, มันสนุกเดีไม่แห้งแดงไม่เหมือนกับเราอยู่ตรงแจงเห็นเดิน้้ำเต้นลําพอมาดูาดว่าเราโอ้ยทนไม่ก็เต้นลำเหมือนกันนะนะเค็นน้นเนาเต้นลำไหมฮะเคยไหมบางพ่อเคยน้ำจนลำไปสันทมสิงคโปร์ ฟังเล่าไหมไม่เล่าก็ได้น้ะเล่านะ <c oughs> น้ามันเต้นล้วเร า, ราไปขี่กัเจ้าข้ามาเดจ่าไปเป็นเกาะหนึ่งเขาพาไปพอไปเล่ามีเวทีมีเวทีมีเวทีสําหรับเต้นลาอยู่ต่ํากว่าเราเวทีเรารั้ง พวกวงมันเนี่ยมันไม่เข้าใจพระหรือเปล่ามันจะพาเรามา ด, ดูตนโดวองรนตรีอะไรเนาะเนี่ยเราก็นั่งอยู่ก็ถามจารนชาญเป็นพระพลังเขาจะมาพาเรามานั่งนี่ทำไมเนะี่ยจะพามาดูรนตรีเขาเต้นรำเขาร้องเพลงเ่ะไม่ใช่เป็นอะไรลนะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันดูดูก่อนไม่จะเป็นอะไร พอถึงเวลาคนก็มามามานั่งพ่อก็นั่งกับเส้นชานกับโยมที่พาไปถึงเวลาก็เปิดเครื่องขยายตู้เพลงบางใหญ่เลยเติมเติมเติมเตก่นพอเปิดตู้เพลงก็มีไฟ <c oughs> สีสังต่างๆก็ปล่อยร้ำขึ้นน่ะเป็นเส้นเท่านิ้วมือเท่านิ้วค่อยเต้นขึ้นเต้นขึ้นเอ็นไปเอ็นมาล่องร้มไปมาบางที่เกาะฉันกันก็นมีน้ำนะ คอยแนกันเดินไปเอ้าน้ําเต้นลำเลยเต้นไหมฉนยุคที่มีไม่ญี่ปุ่นเย่เซนต์สปนี่มีไหมไปดูเหรอโอ้มันก็ดีเหมือนกันน้าเต้นลำเกิดมาไปเห็นยักตีเลยน่าดูกลัวผู้โยมพวกเราเต้นลำด้วยนะน้ําเต้นลาเขาใส่สีด้วยสีต่างๆงั้นกับรูปผู้หญิงบ้างแล้วกรูปผู้ชายสัตบบุตรใส่เสื้อใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อสูทด้วยนะ โอ้นักทดูดีๆก็เต้นลำไว้มากนําเต้นลําต้นในวัดป่าสุโกโตก็เต้นลำเหมือนกันหลวงพ่อกติหลวงพ่ออยู่เวลาฟอมพัดมามันนี้หลวงพ่อก็นอนอยู่ไปให้ฝนผ่านใส่ชั้หน่อยก็ดีเย็นฝนตกมันก็ไม่เคยมีร่มเลยดูต้นไปมันเต้นลำเหมือนกันนอสนุกดีอหลวงพ่อก็สนุกไปพอฝนกุด รีบปลงผูกป่าผูกต้นไม้ทั่วทอ่าวันนี้ก็เอาอฟ้ตอนนี้เนาะะอสัธใจสาธภาพพ่อ